Sambut akça Sambut akça Ako ato Sambut akça Sambut akça Ako ato Arhato Sambut akça thammo ave rakkhati tam jai ti imassa dhamma pariyaya yassa attho sadhayassa manthi sakkaccam และได้แสดงธรรมเพื่อเป็นการส่ง ทางเกรงาตระบัณฑิตกันก็ได้ ตามพระนาธิที่พวกเราทั้งหลายได้ ธรรมัสสวนะคือวรรณะผู้ที่มีศรัทธาแก่กล้าใคร่เกี่ยวเกี่ยวกับปฏิบัติท่านก็ได้องค์วางพลระกิจ <โ อ! S 1> แล้วมาสู่สถานที่นี้เพื่อฟังธรรม ไสตนของตนเป็นมากเท่าที่จะมาก ได้แก่การแก่การฝึกปฏิบัติหรือการกระทำจึงจะเกิด จึงมีคือตามที่เรา จะเกิดมีแล้วก็เกิดมีแล้วก็ เรามีการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรม ดังนั้นที่ได้ยกเงินประสา บำรุงชีวิตอันประกอบไปด้วยชีวิตอันประกอบ นั้นรักษาหรือสิ่งที่บังเกิด เป็นบุญตัวของเราก่อนไม่ใช่ว่าอยู่อยู่แล้วที่เราต้องการนั้นเป หาเป็นปลายแดงไหมคำที่ ธรรมนั้นนั้นไว้ให้ในกายในรักษาพวกเราทําลาย เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงพากันๆใส่ตนลง หลักโครงการโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายนัก ก็คือหนึ่งอยู่เพียง 3 ประการคือ 1 ฆานะไมบุญสําเร็จ และสาปภาวนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการ สมาธิและปัญญาปัญญาศีลเป็นวิธีการหรือหลักการโดยย่อ การสูงการสูงกว่า ของการที่จะทำให้พ้นทุกข์สมาธิเป็นกังฆราและจะต้องอาศัย ว่าคําว่าศีลสมาธิปัญญา ซึ่งเรียกซึ่งประกอบไปด้วยมรรคแปลว่าวงทางซึ่งองค์ 8 ประการมีสัมมาทิฏฐิแปลว่า ซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างใน เป็นวิธีวิธีบำเพ็ญคนทุกหมู่เราทุกชั้นอย่างกว้างคน โดยเบิกต้องอาศัยอ่า คือให้พุทธบริษัทผู้เป็นส่วนมากให้พุทธบริษัท ก่อนแต่ที่จะมาเป็นภิกขุบริสัดนั้น ผู้ครองในส่วนภายนอกกันหมดสิ้นในส่วนภายนอก ไสศึกษานิวัจินสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาเยวสิกขาแปลว่าการ เรียนเรื่องปัญญาเรื่องเพราะว่าในบรรไตรหรือกัน ไม่มีภาระหรือจะมีภาระเกี่ยวแก่ๆน้อยๆไม่พอ มีสมาธิปัญญาไม่ได้อย่างที่พี่ย่อม ผู้ปกเพราะว่าเหล่าจะพึงในเกียรติ ได้นั้นก็เป็นผู้สนับสนุนอาศัยไม่ว่า จะเป็นปัจจัยเกี่ยวแก่เครื่องบริโภคของฉันเครื่อง nyok kaika lue wa ubasa kubasika brisa ubasa สนับสนุนให้กำลังแก่ภิกษุภิกษุณีบริษัทศาสนาของเราทั้งหลายยังอยู่ได้แต่ในขณะ แก่แห่งความสําคัญถึงแม้แต่ก็สามารถที่คุณธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การกันการและก็กันสูงสุด สงฆ์พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจนถึงอย่างคฤหัสถ์ ก็สามารถที่จะเลือกคือการให้การเสียสระ การเจดเสียสละหรือการบริจาคเทวะทานนั้น นบอยเกิดกับอดิสงอย่างสมบูรณ์เต็มที่ที่เราได้ การมันก็เกิดจากใจของเราใจไม่เกิดขึ้นในจิตใจของเราก่อนแล้วมากน้อย จึงว่าได้ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่เรามีการให้ทานเรามีเพราะการชักชวนการต่อเรา เราจิตใจของเราจริงจิตสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ชอบเราจริงมองเห็น เช่นนี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นการเชียร์ โดยละทางจิตใจต้นตนซึ่งไม่มีสิ่ง แล้วเกิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็จะเป็นผลดีในการกระทําชินนั้นว่า ผลของการเสื่อมกายวาจาคือรักษาศีล สันติสุขคือสุขสุขกันเกิดขึ้นจาก งานบริจาคหรือการเสียสละนั่น ถ้าเราไม่มีการเจรจิดนั่นคือความทุก ตามรู้สึกเช่นนั้นคือ เมื่อเราเสียก็ดาลลงไปบุญมัน เมื่อเรากําจัดความโลภความอยากด้วยวิธีอุบายอย่างใดอย่างภายนอกรอใส่ ถึงขั้นของความเกียจขยันนั่นมัน แม้ความสุขจะมีอยู่ในใจแต่ความไม่สงบมัน สิ่งจุดประสงค์และความหมายมันก็จะเป็นไปไม่ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี ใจที่มีศรัทธาเริ่มใสนั่นแหละ ให้มันเจริญในจิตใจของเราอยู่บ่อยๆ ไอ้เด็ดขาดไปจากจิตใจให้ความโลภความ รักษาศีลมีการประพฤติปฏิบัติเป็นตามหลักหรือแนวทาง เป็นต้นนั้นก็ดีนี่มีอ่านั้นใครได้พบ กับผลของความสงบคือคําชีวิต ของผู้อื่นของสัตว์ทั้งหลายอื่นของสัตว์ทั้งหลาย ตัวตัวใหญ่เท่าช้างมันก็หมายถึงว่าเลนเท่าไหลตัวใหญ่เท่าช้างนั่นก็หมายถึง ถ้าหากมันมีก็จําเป็นมันก็กันและกันน่ะ ไม่ต้องแล้วหอกเหลนเหลาทูลผ่านหน้าไม้มาทิ่มมาความตาย เมื่อเรานั่งอยู่สงบๆก็ถูกทิ่มแทงด้วย เพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นเครื่องเป็นวิธีการระงับ เมื่อบาปอันหยาบๆได้สงบระงับลงไปจากกาย สันติคือความสงบจากบาปมันก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมันก็ เรเราก็ควรจะน้อมหลักการคือ ไม่เข้าถึงข้างในคือจิตใจซึ่งเป็น ไม่ใช่มาจากที่นี้คือกายและวาจาตา จะเป็นตัวกรรมขึ้นมานั้นสําเร็จมาแต่ใจ จากกายและวาจาจิตทั้งหมดกายและแต่กายและ ในสิ่งและผลที่เกิดขึ้นกับตนใหม่หากเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งเป็นผู้บัญชาและกํากับเพียงแต่ ที่พระเพราะฉะนั้นทรงสอนไว้ก็ขึ้นอยู่กับลืมคําว่าจิตใจไป การตั้งจิตใจของเราสําคัญกว่า มีแต่ทนุบํารุงรักษาซึ่งกายหน่อยๆเออก็จะเปรียบ ไม่อยู่ในสายตาของสังคมนี่คือจิตใจของ แม่เคยได้ดับเรียนหัว ก็ใจของคนเราน่ะนะ จิตของเราก็จะบริสุทธิ์สานและเยือกจิตไปตามหน้าที่ของ รูปแสงสีเกิดจากตาสีเกิดจากตาเสียงเกิดจากหูกลิ่นเกิด ถ้าไม่มีอาหารโมบโบถ้าหาบ่ เป็นอมิตรสัจจะไม่ใช่ดีลามิตรเป็นสุขที่ ฤดูอ่ะบิดเป็นเครื่องสัตว์เป็น 100% ถ้าสะอาดไม 100% ไม่หมด สุขเหมือนกับสุปลาเดียวปลาดาวไม่ได้ รูปนั้นให้ความแต่พวกเราไม่เคยคิดแก่อย่างกายเนี่ยเรา มันที่ถึงขนาดต้องผิดศีลผิดธรรมไม่ว่าเป็น เงินหมดไปเท่าไหร่การบริโภคอุปโภคศรัทธาญาติโยมกับมือกัน หยิบยื่นภาระให้แก่พวกเราและเราแลแลจะเอาบ้างสิ่งที่เราเรียกเรียกว่าเรา จากก้อนธาตุอันเนี่ยพอเราจะได้อะไรกัน เราจะได้ถ้าประโยชน์ในโลกหน้านั้นติดตนส่วนประโยชน์อย่างยิ่งไม่ต้องพูดถึงตัวไป แล้แล้วพวกเราทั้งหลายมาทุ่มเทเสีย พอที่จะเป็นที่พึ่งของ ตามพระพุทธเจ้า 100 ปีสัตว์ 100 ปีศาสนาในภัตตะกัปนี้จะ อายุก็ต้องเป็นเอาอายุไกลของสัตว์เพียงแค่ 2,500 ปีสัตว์ จาก 100 ปีให้จาก 100 ปีที่กำหนดไร้ใน 75 ปีแก่ 1 เท่ากับ 100 ปี 1 ปี 25 จัตวัตรคือ 2500 ก็ลดลงไป 25 ปีนี่ ได้ทราบเห็นไหมในจิตใจของมนุษย์ เจริญมากยิ่งขึ้นจนศาสนานั้นไม่สามารถที่ โภชนาอังไลควรจะได้เอาใจ เวลาที่ยังเหลืออยู่นั้นที่ยังเหลืออยู่นั้นควร อย่าเครื่อหมิ่นนอกจากคําว่าใจดวงเดียวแต่ถ้าจะ หมู่ปลายที่จะกําจัดป้องกันความไม่สงบคือ ฟอร์มชั่วมันจริงเกิดขึ้นเป็นเหมือนว่าแล้วก็หน้าจินแปดนั่น ผู้มีศีลก็ไม่ได้คํานึงถึงจิตใจเพราะฉะนั้นเรา เพราะเราไม่ดูศีลใจของเรานี้แหละเรา ถ้าทิ้นแปดตัวอย่างงั้นเลยไม่เห็นมันจะดีตรงไหนไม่เห็นมันจะสงบระงับให้ฌานรักษาศีลเมตตาได้บุญ นั่นแหละเพราะธรรมศีลในใจของเราเราไม่กล้าคิดคิดฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เล่า กรรมรมซึ่งระลึกถึงไอ้สัญญาคนเล่ห์สัตว์ที่เป็นนั้น ไม่รู้มันตายไปแล้วหรือยังหรือถ้ายังไม่ตายเดี๋ยว ของอกปัญหาบําเพ็ญสมาธิโพนาใจมันก็ไม่ เมื่อละศีลบริสุทธิ์แล้วบรรเทนสมาธิเป็นไปได้ง่าย จิตก็เราไม่มีคุณฐานจิตทั้งจิตหยาบจิตกระด้างข้อกวะภาชนะ มันไม่เหมาะไม่ควรหรอกที่จะประพฤติอาหาร จะมาปฏิบัติวิจัยนาถึงหลักธรรมะเพื่อเป็นการพัฒนาจิต 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงพอนี่แหละเห็น มันมีเพียงเจตนาตั้งเพื่อกายเพื่อวาจาตามเพื่อบริจาคทานบาง พวกเราทําได้ถ้าเราต้องการให้จิต พุทโธธัมโมสังโฆหื้อเอากายคือ เป็นปกติเค้าอยู่อย่างนี้ก็แต่ไม่เกิดประโยชน์ที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็น ร่มเป็นกรรมประกาศเป็นธรรมยันต์จะเป็นธรรมก็เป็น รักษาพุทธโธธโมสังฆะรักษาลมใจของเราด้วยการเข้าไปทําความรู้ระลึกรู้ระลึกให้มันได้ระลึกถึง เมื่อเราละลุกได้เราละลึกได้ระหว่างสติของเรากับลม อารมณ์หรือธรรมรมณ์ได้แก่พุทโธเป็นต้นนั้น มันขาดย้อยครั้งมันถืออีกครั้งแล้วก็เชื่อมต่อกัน ให้ตั้งอยู่หรือเป็นไปจะดำรงทรงอยู่ตั้ง มีสติสัมปยุตต์เป็นกรรมที่เป็นอุปการะแก่ธรรม ไม่มีทาวสัตว์ใดที่จะโต ตามเมตตมรรคคือก็คือเป็นผู้นี่การภาวนาเป็น แต่บุญจะเกิดขึ้นใดนั้นบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องสร้างความสงบให้เกิดขึ้นภาย เพราะนั้นฌานศีลโพราณาลิสิงสมาธิปัญญา มีวาจาด้วยกันทุกคนมีจิตมีใจด้วยกันใจและวาจาภาวนาหรือปัญญาเปรียบเหมือน เพราะฉ่าเราเป็นธุระวาจาอยู่มีทั้งการสิงโทนะไม่ วาจาของเราก็มีทําเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจของเราก็มีทํา ส่วนการที่เราจะดําเนินไปมากน้อยแค่ไหนมีความ มันมันขี้เกียจที่การแต่มันหม่นขึ้นมีความอดทนน้อยจะสร้างความอดทนนี่มันมากไม่มีหรอกคนเรา ศีลเราจะได้ดิบได้ดีด้วยความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ต่างก็ไม่ใช่ว่าเป็นของดีแล้วมันจะเพื่อนํากิเลสออกจาก วันถึงมันจะดีไม่ใช่งานถึงมันจะดีอย่างเรานั่งสมาธิเดิน ภาสิต 8 เดียวแต่ก็ทํากับจิตกับใจของเราไม่สู้มันจะ แม้จะอยู่ในปัจจุบันก็อยู่ในที่มองที่ถูกๆ ความทุกข์จะหมดไปความหนักจะหมดไปความเบาจะเข้ามาแทน วิริเยทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นความทุกข์ถึงซึ่งความสุขตลอดทั้ง แต่คนที่มีความเพียรความเพียรมีใน จริงทั้งหลายที่เด็กกล่าวสู่ฝันนี้นี่คือ ให้หมดไปด้วยขอปฏิบัติเพื่อการตินโทนาหรือ แล้วรักษาธรรมรักษาด้วยกายของเรากายกรรมแต่ว่าการกระทำรักษาพูดด้วย รักษาด้วยจักใจมีธรรมะนอนเนืองอยู่กับ 10 น้ํา 12 เรียก 32 อยู่เป็นประจำกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยแก่บ่อยๆครั้งได้ไหมหรือทั้งวันได้ ต้องเป็นผู้รักษาธรรมให้มันได้เสียก่อนเมื่อเรา ผู้ที่รักษาธรรมโดยสมควรแก่ธรรมนั้นๆดังนั้นการที่ได้ขี้แจ้งแสดงธรรมสู่ฟังในคืนนี้ก็ยินว่าพอสมควรแก่เวลาขอความสุขความสวัสดิ์ภัยและความจงสมความปรารถนาจงมีแก่พวกเราทั้งทั้งหลายทุกท่านทุกคนโดยทั่วถึง